ค่ะหลวงตามเมื่อครั้งที่แล้วใช่ไหมคะ่ะที่ คุยกับหลวงตาถึงเรื่องว่าวางคือพิจารณาแล้วเห็นว่าการวางตัวสุดท้ายอะค่ะที่เหมือนของหลวงปู่เทียนที่บอกว่าวางยากค่ะหลวงตาพอหนูกลับไปหนูก็พยายามทบทวนที่หลวงตาบอกเพราะว่าคือรู้ในหนึ่องอย่างว่าสภาวธรรมที่หลวงตาสอนนะคะคือตามเท่าไหรก่ก็มันจะมีที่แบบ ยังตามไม่ทันอยู่ที่เราต้องไปดูแต่ว่าก็ใช้แบบแล้วก็คำว่าปล่อยวางก็งมีความรู้สึกว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เราบอกว่าเราเอาตัวเราไปปล่อยอะค่ะมันก็จะยังมีตัวอยู่ตลอดนะคะหนูก็เลยแบบพยายามใช้การพิจารณาไปเรื่อยๆค่ะคือไม่ได้ไม่ได้เจาะจงอะไรอะค่ะจนแบบเหมือนมีวันหนึ่ง ก็เหมือนกับในขณะที่ในตอนกลางวันนะคะหลวงตาที่ไม่ได้ทําอะไรเลยทีนี้ในระหว่างที่มีวันหนึ่งหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูรู้ขึ้นมาว่าเนี่ยให้ดูตรงนี้คือบอกว่าสิ่งที่ให้ดูก็คือหน้าปกหนังสือของหลวงตามันก็เกิดความรู้ขึ้นมามากมายหนูก็มีความรู้สึกว่าหนูจะทํำยังไงกับสิ่งนี้ดีหนูก็เลยพยายามตนนั้นเป็นช่วงทานข้าวกลางวนะันค่ะ หนูก็เลยปล่อยให้รู้ไปเรื่อยๆแล้วหนูก็ใช้วิธีแบบขับรถไปไกลๆอ่ะค่ะไปทานข้าวที่มันเป็นโรงเจเสร็จแล้วหนูรู้ๆเสร็จหนูก็กลับมาเขียนสิ่งที่หนูรู้เอาไว้แล้วตอนลากหนูมีความตั้งใจว่าทุกคนคงรู้เหมือนหนูหนูคงแบบเข้าใจผิดอะไรเงี้ยค่ะแล้วหนูก็รู้สึกว่าแต่ในใจหนูหนูมีความรู้ว่ามีอะไรที่มาชี้ให้หนูดูว่าหนูจะต้องทิพจลานาตรงเนี้ยแล้ว ก่อนหน้านี้หนูเรียนหลวงตาใช่ไหมคะว่าพอหนูพิจารณามาถึงจุดหนึ่งหลวงตาบอกให้หนูตอปิดศนาธรรมเรื่องคำพีไรตัวอักษรแล้วหนูก็เรียนหลวงตาว่าปิดศนาธรรมอันนี้ไปพ่วงกับปิิศนาธรรมทุกปิิศนาธรรมที่หลวงตาอธิบายมาเลยหนูก็เลยมีความรู้สึกว่าปิิศนาธรรมที่หลวงตาบอกให้ดูอันนี้ มันน่าจะเกี่ยวพันกับทุกปิศนาธรรมซึ่งหนูก็เขียนไว้ตอนแรกหนูตั้งใจว่าหนูจะไม่ตอบหนูเขียนเขียนเสร็จหนูก็เลยพับเอาไว้ว่าคงไม่จําเป็นต้องตอบอะไรเงรี้ยค่ะคนอื่นก็คงจะเหมือนรู้ถึงสิ่งอันนี้แล้วหนูก็ขับรถกลับบ้านในระหว่างที่หนูยังขับรถไม่ถึงบ้านาก็มีคนโทรศัพท์มาพูดกับหนูเรื่องหนังสือของหลวงตาหนูก็เลยบอกเพื่อนว่า ทำไมแบบเพราะคำพูดเนี้ทําให้หนูอยากตอบปริศนาธรรมอันนี้ยแต่หนูว่าในอันสุดท้ายหนูก็ยังเห็นไม่หมดคือคือหนูทราบแล้วว่าในความเป็นตัวตนที่หายไปแต่หนูก็ยังคิดอยู่อย่างหนึ่งคือหนูคิดว่าท่านอุตตามธรรมของหลวงตาธรรมหนูเหมือนหนูเรียนหนังสือหนูต้องมีบททดสอบแล้วหนูก็คิดว่าหนูต้องตอบปัญหาธรรมของหลวงตาอันนี้ให้ได้ เลยวันลุ่งขึ้นหนูแล้วพอเพื่อนพูดถึงหนังสืออันนี้แล้วหนูก็ปวดหัวมากปวดแบบเหมือนหนูจะขับรถกลับบ้านไม่ได้อะค่ะทำให้วันลุ่งขึ้นเนี่ยหนูเลยเปลี่ยนใจใหม่ค่ะแล้วหนูก็มานั่งตอบปริศนาธรรมอันเนี้ยเพื่อส่งหลวงตาแต่หนูก็ยังคิดอยู่ว่าหนูยังติดอยู่อีกหนึ่งอันซึ่งหนูยังไม่รู้หนูยังไปไม่ได้ ตาพามาวันหนึ่งในระหว่างที่หนูขับรถไปเรื่อยๆหนูฟังทำหลวงตาไปเรื่อยๆหนูก็คือจริงๆครั้งที่หนูมากราบหลวงตาครั้งก่อนหนูก็ฟังนะคะเรื่องทาาเรื่องขัดแล้วหนูคิดว่าหนูเข้าใจตรงเนี้ยแล้ววันนั้นหนูมากราบหลวงตาหลวงตาก็อธิบายตรงเนี้ยก่อนที่หนูจะส่งกันบ้านด้วยแต่หนูก็มีความรู้สึกว่าทําไมหนูวางไม่ได้แล้วหนูก็เรียนหลวงตาใช่ไหมคะว่าตอนที่เป็นผู้รู้ ก่อนที่หนูจะทิ้งผู้รู้มาก่อนที่หนูจะทราบว่าผู้รู้คือเรือเรือตรงนั้นคือสติปัญญาณนะเวลานี้สติสมาธิปัญญาทุกอย่างมันรวมลงที่จิตเป็นหนึ่งหมดแล้วทิ้งเรือหมดแล้วแล้วทําไมถึงตอนนี้หนูวางมาได้ตลอดพอถึงตรงนี้ทําไมหนูวางไม่ได้อะค่ะเด็ดแล้วในวันนึงระหว่างที่หนูขับรถหนูฟังเรื่องท่าเรื่องขันนค่ะหนูก็ นึกออกมาได้ว่าเพราะว่าวันนั้นที่หลวงตาพูดว่าหนูพูดถึงเรื่องนิพพานแบกติดไปเพราะว่าหนูฟังอยู่เรื่องหนึ่งซึ่งหนูรู้ถึงเรื่องนิพพานว่าแบกไปทําไมอะไรเงี้ยแล้วหลวงตาก็เมตตาอธิบายว่าหลวงปู่ล่าบอกว่าให้ทิ้งไปซะแล้วหนูก็แบบแล้วหนูจะทิ้งยังไงในเมื่อเมื่อไหร่ที่หนูบอกว่าเราไม่ยึดนะความว่างแล้วหนูบอกหลวงตาว่าความว่าง ก็ไม่ยึดหลวงตาบอกว่าให้หนูทิ้งคําว่าเราไม่ยึดเมื่อไหร่ที่หนูเจอความว่างหนูก็จะบอกตัวเองตลอดเลยว่าเราไม่ยึดอะไรทั้งนั้นแม้นแต่ความว่างก็ไม่ยึดแต่หลวงตาก็บอกว่าทิ้งคําว่าเราไม่ยึดไปด้วยจนพอหนูฟังเรื่องท่าเรื่องขังแล้ววันนั้นที่หลวงตาพูดถึงความรู้ที่ไม่ใช่ของเราหนูรู้ว่าหนูเข้าใจผิดอยู่อย่างหนึ่งซึ่งหหนูถามหลวงตาว่า หนูเอาความรู้จากของที่อื่นมารู้ได้เพราะฉะนั้นความรู้ของหนูก็เป็นกลางเหมือนกันแต่ตอนนั้นหนูเข้าใจผิดว่าเมื่อหนูตายไปความรู้ของหนูก็เป็นกลางที่คนอื่นจะเอาไปใช้ได้แต่พอหนูฟังหนูเลยนึกออกว่าก็ตัวตนเราไม่มีตั้งแต่แรกเพราะตัวเราเป็นที่รวมของธาตุและขันทุกวันนี้ที่ทานเข้าไปทุกวันก็คือา้างพืชซากสัตว์ คือตัวเราไม่มีนะเวลานี้ตอนนี้ก็ไม่มีก่อนหน้านี้ก็ไม่มีมีแต่าธาตุเท่านั้นทําให้แบบหนูคิดออกแล้วเราก็ไม่ต้องวางอะไรคือก่อนหน้านี้หนูหนูนึกถึงคําสอนของหลวงตาอยู่อันหนึ่งเหมือนกันคะ่ะที่หลวงตาสอนเอาไว้ว่าเราเลิกเล่นแล้วคือต่อบไปเนี้ยเราเลิกเล่นแล้วเราไม่เล่นแล้วเราเล่นมาเยอะแล้วเราเลิกเล่นแล้วแต่หนกก็ยังนึกไม่ออกไหนูพยายามนั่งไล่เหมือนกันคะ่ะว่า พิจารณาไปเรื่อยๆว่าทําไมพอหลวงปู่เทียนหกล้มแล้วรู้ว่าอันนี้เป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วหลวงปู่เทียนทิ้งก็บรรลุนิพพานเลยหนูก็พิจารณาไม่เรื่อยๆหนูคิดว่าคําว่าพอเห็นว่าเป็นสิ่งปรุงแต่งแล้วไม่ไปยุ่งกับมันแล้วก็เป็นนิพพานไปหนูคิดว่ามันไม่ใช่แบบ ได้ภายในวันสองวันนะ น, น, นมันต้องมีวิธีคิดมันต้องมีเหตุผลมันต้องมีอะไรที่ใจเรายอมรับได้เราจึงวางทั้งหมดได้คะนี่จาแล้วพอพิจารณามาจนถึงตรงนี้พอแบบตัวเราไม่ใช่ไม่ใช่ตัวเราเลยมันก็กลายเป็นว่าไม่ต้องไปวางอะไรเลยก็คือปล่อยไปเลยค่ะมันไม่มีตัวเราก็ว่างหมดแล้วก็พอว่างหมดมันก็เหมือนกับว่า มันเป็นความรู้ที่แบบมันเป็นความรู้ที่อธิบายมาเรื่อยๆใช่ไหมคะหลวงตามันเป็นความรู้ที่อธิบายมาต่อนเนื่องแบบหนูขอถามหลวงตาตอนนี้ก่อนนะคะหนูว่าคําถามที่ที่หนูติดมาก็คือผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดพบธรรมผู้นั้นพบพระนิพพานหรือคําว่าผู้ใดพบธรรมผู้นั้นพบเล่าคาถาคด หนูเคยถามหลวงตาครั้งหนึ่งว่าหนูจะเอาความรู้ได้จากที่ไหนหลวงตาเคยบอกหนูว่าถ้าหนูเห็นความรู้ตรงนั้นน่ะก็ให้หนูถามจากตรงนั้นถึงตรงนี้หนูมีความรู้สึกว่าความรู้ที่บอกที่เข้ามาบอกตรงนั้นถึงตรงนี้หนูพิจารณาตรงนี้แล้วประกอบกับในอันสุดท้ายที่ ในหนังเรื่องพระพุทธเจ้ามหาศ า, ศาสดาโลกที่พระอานนท์ถือใบไม้ใบเดียวอะค่ะหลตาที่พระอานนท์ที่มีคำพูดว่าเราไม่ได้หายไปเราอยู่ในทุกที่เราอยู่ในทรายเราอยู่ในใบไม้ที่เจ้าถือเราอยู่ในตัวเจ้าเพราะฉะนั้นสิ่งที่เราพบและสิ่งที่มาสอนตัวนี้คือพุทธะใช่ไหมคะหลวงตาผู้ได้พบใจผู้นั้นพบธรรม นำความรู้นำความเห็นของพุท ธ, ธเอามาใช้ได้เอามาใช้เป็นประโยชน์ได้เหมือนที่หลวงตากําลังทําอยู่อ่ะค่ะนี่คือคําว่าพุท ธ, ธที่อยู่ในตัวของคนทุกคนใช่ไหมคะหลวงตาแล้วหลังหนูหนูหนูอยากเรียนหลวงตาแบบนี้ว่าตอนหนูวางครั้งแรกตอนหนูวางครั้งแรกหนูทราบว่าหนูทราบอย่างหนึ่งตอนนี้หนูทราบแล้วคะว่ะว่าวิธีเดินของหนู ต้องวางสองครั้งใช่ไหมคะหลวงตาพิจารณาสองครั้งแล้ววางสองครั้งในการวางครั้งแรกหนูรู้สึกว่าเหมือนมีตัวมาสอนหนูว่าถ้าถ้าพุทธเจ้าหรือให้เทียบทั่วไปว่าเหมือนพ่อคนหนึ่งมีลูกสองคนลูกทั้งสองคนเป็นคนที่ดีเลิศทั้งสองคนทําดีกับพ่อทุกอย่างแต่ลูกคนที่หนึ่งไม่เคยหวังอะไรจากพ่อเลย แต่ลูกคนที่สองทาดีเท่ากันทุกอย่างแต่ลูกคนที่สองหวังทรัพย์สมบัติจากของพ่อเพราะฉะนั้นคนเป็นพ่อต้องยกทุกอย่างให้กับลูกที่ไม่หวังอะไรเลยเพราะเป็นลูกที่ดีจริงๆบริสุทธิ์จริงๆพอมาถึงตรงนี้หนูเริ่มเห็นถึงสองขั้นครั้งที่แล้วหนูเรียนหลวงตาแล้วว่าหนูทราบ ว, ว่าการวางของหนูมันต่างจากการวางในครั้งแรก แล้วตอนนี้พอหนูพิจารณามาเรื่อยๆหนูทราบแล้วค่ะว่าตอนแรกหนูวางอายตนะที่รู้เห็นด้วยตาหูจมูกลิ้นกายใจอันนั้นหนูมีความรู้สึกว่าเหมือนวางง่ายแต่พอหนูกลายเป็นความว่างแต่ในความว่างหนูทั้งรู้ทั้งเห็นเมื่อไหร่ที่หนูเห็นหนูก็จะตื่นเต้นหนูก็จะเข้าไปศึกษาแล้วหนูก็จะกลับมามีตัวมีตนขึ้นมาอีกใช่ไหมคะ คือในความว่างในความเป็นผู้รู้หนูกายเป็นไม่มีตัวไม่มีตนแต่หนูทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินแล้วหนูก็เกาะเรือมาพอหนูทิ้งเรือหนูก็เลยไม่รู้จะอยู่ยังไงมันเป็นความเคยชินที่เราอยู่กับเรือมาเอาว่าพอณนะวันนี้พอเมื่อมีความเข้าใจแบบนี้ค่ะก็ พร้อมที่จะวางทุกอย่างแล้วก็เข้าใจแล้วค่ะคืออยู่ได้โดยไม่ต้องอาศัยเรือนั้นในภาวะที่แบบในทิ้งสังขารหรือตอนนี้มาอีกขั้นหนึ่งที่แบบมีแต่ใจที่ว่างเปล่าแต่มีทั้งความรู้ทั้งรู้ทั้งเห็นทั้งได้ยินแล้วก็วางทั้งนี้เหมือนกับมีตัวมาอธิบายมีสิ่งที่มาอธิบายว่าทําไมเหมือนกับ เวลาวางแล้วเหมือนเราไม่ต้องไปหาเงื่อนไขอะไรเลยนะคะหลวงตาเพราะว่าการที่เราหาเงื่อนไขนั่นหมายความว่าเราไม่วาง <S <S 1> <S 1> การที่เราหาเหตุผลเท่ากับว่า <S <S 1> <S 1> เรารู้เหตุผลว่าเราวางแล้วมันจะเป็นยังไงมันจะได้อะไรทำให้เราไม่ยอมเราไม่วางถ้าเราไม่รู้แต่จริงๆแล้วในทางธรรมคือต่อให้รู้ไม่รู้การที่เราจะไม่มีกิเลสไม่มีความต้องการนั่นคือวางทุกอย่างไม่เอาอะไรสักอย่าง ทั้งๆ ท, ที่เราไม่รู้เลยว่าเราวางไปข้างหน้ามันจะคืออะไรแล้วก็คิดว่าพอวางไปแล้วอ่ะค่ะมันเหมือนสิ่งที่ได้มาในที่หลวงตาพยายามอธิบายหนูคิดว่าในคําตอบทุกคําตอบในคําอธิบายทุกคําอธิบายมันเหมือนกับตอนแรกมีแค่ต้นไม้แล้วก็มีรากแก้วแต่ตอนนี้ในรากฝอยมันก็แตกแขนงไปเรื่อยๆอค่ะ แล้วมีวันหนึ่งที่แบบหนูเคยเรียนหลวงตาว่าหนูเห็นภาพที่แบบมีแต่สีขาวเป็นล่างใช่ไหมคะเป็นรูปเป็นล่างที่มีแต่สีขาวทําให้รู้ว่าตรงนั้นอะแม้นแต่ฝุ่นนิดนึงอะก็เกาะไม่ได้ทําให้หนูรู้ว่าการที่หนูไปสัมผัสตรงนั้นอะแล้วแม้นแต่หนูไม่อยากได้นิพพาน แต่ถ้าเมื่อใดที่หนูมีความรู้สึกว่าเนี่ยคือตัวสุดท้ายของหนูถ้าหนูวางตรงนี้ไปใจต่อให้หนูไม่อยากได้แต่ใจหนูมันไวแล้วก็รู้ว่าถ้าวางตัวนี้ได้เนี่ยเราจะได้นิพพานแค่เรารู้สึกแบบเนี้ยมันกมน็มันก็จบไม่ได้ใช่ไหมคะหลวงตาเพราะฉะนั้นสิ่งที่จะจบได้โดยที่แบบเราเลิกเล่นก็คือเราไม่มีตัวไม่มีตนเราหายตัวไปเลยเราเลิกเล่นแล้วเราหายตัวไปแล้ว แล้วก็ภาพภาพที่ที่หนูเห็นนะคะก็อธิบายหนูต่อว่าเพราะฉะนั้นแม้แต่คือถ้าเมื่อไหร่ที่หนูวางก็จะเป็นภาพตัวตนแม้แต่เป็นความว่างเปล่าก็คือเป็นรูปตัวตนอยู่ในความว่างเปล่ามันก็คือสมมุติอยู่ดีอะคะ่ะก็เลยเหมือนกับว่าทุกอย่างมันเป็นสมมุติหมดเลยแม้แต่ความว่างเปล่าคือถ้าเราไปยึด เมื่อเราว่างเปล่าแล้วมันก็จะเป็นรูปตัวคนขึ้นมาอยู่ดีแล้วก็ในวันหนึ่งอะค่ะหนูขับรถไปแล้วเย็นๆนะคะหนูก็จะเห็นดวงอาทิตย์ในเมื่อหนูหันไปมองพอหนูหันกลับมาหนูก็เห็นเหมือนรอยเท้าในอากาศเมื่อหนูมองจากที่พื้นขึ้นไปเรื่อยๆจนถึงดวงอาทิตย์หนูก็จะเห็นรอยเท้า ปรากฏอยู่ในอากาศเหมือนที่หลวงตาอธิบายว่าถ้ามนกบินในท้องฟ้าจะไม่มีร่องรอยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เรามีตัวตนมันก็เลยเหมือนกับว่าเห็นภาพอะค่ะว่าเมื่อเราว่างแล้วถ้าเรายังยึดอยู่ในความว่างมันก็เป็นรูปตัวเราอยู่ดีเราไม่สามารถที่จะกลืนเข้าไปกับความว่างได้แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราไม่ยึดความว่างของเราก็จะกลืนเข้าไปในกับความว่างได้ แลวถ้าเกิดว่าเรายังมีตัวตนเป็นความว่างที่มีรูปตัวเราอยู่เมื่อไหร่ที่เราเดินไปในอากาศก็จะตะกดรอยเท้าอย่างที่เห็นใช่ไหมคะหลวงตาเอาทีนี้หนูก็ขอเรียนหลวงตาว่าวันนี้หนูมาเพราะว่าหนูจะมาเรียนหลวงตาว่าเมื่อหนูรู้หนูเห็นแบบนี้ค่ะหนูคิดว่าหนูยอมรับในโชคชะตาที่หนูพูดแบบนี้เพราะว่า นูจาได้ว่าวันที่หลวงตาให้ตอบปริสนาธรรมแล้วหลวงตาให้หนูตอบว่าเมื่อเป็นแบบนี้แล้วหนูจะทำยังไงอะหนูตอบหลวงตาว่าก็เมื่อรู้ว่าทำเพื่อประโยชน์ของตัวเองเสร็จแล้วต่อไปก็ให้ทำประโยชน์เพื่อคนอื่นอย่างที่หลวงตาพาทำวันนั้นหนูจาได้ว่าตอนหนูลากับหลวงตาบอกหนูว่า หนูไม่จําเป็นต้องพูดคําอื่นใดอีกแล้วเพราะว่ามันปรากฏอยู่ในที่หนูเขียนไปหมดแล้วอะค่ะแต่แล้วหลังจากนั้นมาเมื่อหนูมีภาวะธรรมอันหนึ่งหนูจําหนูพึ่งหนูพึ่งเข้าใจเมื่อหนูวางหมดแล้วว่าพอหนูวางหมดแล้วหนูนึกถึงตรงเนี้ค่ะหนูเลยกลับไปดูว่าถ้อยคำที่หลวงตาอธิบายค่ะ มีอันหนึ่งที่เหมือนกับหลวงตาสอนหนูที่หนูหลวงหนูถามหลวงตาไปครั้งแรกแล้วพอหนูไล่กลับมาหนูเห็นหลวงตาให้หนูมาอันหนึ่งก็คือปาฏิหาริย์ของเด็กคนหนึ่งที่มีน้องสาวป่วยแล้วเด็กคนนั้นก็พยายามดิ้นรนค้นหาให้แม่หายป่วยแล้วเมื่อเด็กคนนั้นไปที่ร้าน รานหนึ่งก็เจอผู้ชายคนหนึ่งผู้ชายคนนี้บอกว่าสามารถทำให้น้องสาวของเด็กผู้หญิงคนนี้หายป่วยได้แล้วสุดท้ายแม่ของเด็กคนนี้ก็สงสัยว่าค่าที่น้องเขาหายป่วยนั้นเป็นราคาเท่าไหร่ในนิทานเรื่องที่หลวงตาส่งมาให้หนูบอกว่าเด็กคนนั้นยิ้มแล้วบอกว่าค่าที่เด็กคนนั้นหายป่วยคือหนึ่งดอลลาร์ สิบเอ็ดเซนเมื่อหนูมาเทียบกับสามกายหนึ่งดอลลาร์สิบเอ็ดเซนบวกชะตาชีวิตเมื่อหนูมาเทียบถึงตอนนี้หนูพบสามกายแล้วหนูไม่ทราบว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่านะคะแต่หนูคิดว่าบวกชะตาชีวิตหนูไม่ทราบว่าคืออะไรแต่ หนูก็มาแบบยอมรับในตรงนั้นค่ะหลวงตาดีแล้วอนุมโมทนาด้วยขอนใจกำลังสุดท้ายกับรวบรวมกำลังทั้งหมดออกมาใช้ให้มันหลุดพ้นจากแรงดึดูของโลกทั้งสามต้องทิฏฐานพระน้าพระเนี่ยพระุตเจ้าอัธิธาตะภูทาจรธรมโมนเนี่ยพรแม่ครูอาจารย์ชีวิตที่เหลือนับแต่เนี้ย จะปฏิบัติพาตนให้สิ้นกิเลสพ้นทุกข์ในปัจจุบันนี้ทําประโยชน์ตนจนถึงที่สุดแล้วก็จะทําประโยชน์ท่านชีวิตที่เหลือนี่จะเกื้อกูลผู้อื่นจง ก, กวาชีวิตจะหาไม่จะละบาปไม่ผิดศีลห้าคิดดีพูดดีทําดีจะทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน ไม่เอาการคิดการพูดการกระทำมาเบียดเบียนตนเองให้เป็นทุกข์เดือดร้อนแล้วก็ไม่เอาการคิดการพูดทำไปเบียดเบียนผู้อื่นให้เป็นทุกข์เดร้อนมีแต่คุณมีแต่ประโยชน์ทำแต่คุณประโยชน่ดีกว่าจะสิ้นอายุไขไปน้อมเอาพระพุพทธานุภาเวนาธรรมานุภาเวนา่าสังขารานุภาวนา่าเอาพุญบา ร, รมีมาอธิษฐานต้องรวบรวมกำลังข้ามหมดแต่ครั้งสุดท้ายไอสิ้นกิเลสโดยถาววัสิ้นเชิงระบาดนี้ แล้วก็กําลังที่เหลือก็เอารวมเป็นหนึ่งเดียวทั้งหมดเหี่ยเอามาช่วยช่วยเหลือเกื้อกูลผอื่นทั้งมนุษย์เทพเทวดาอินพรมโยมยากษนาคขุกันุกคนทานไม่ว่าอยู่โลกทาตใดจักรวาลใดไม่ว่าอยู่ใกล้หรือไกลเพียงใด ใ, ใ, ให้เขาพ้นจากทุกพ้นจากทุกพ้นจากทุกเวลาพ้นทุกแล้วก็ช่วยเหลือผูอื่นให้พ้นทุกเป็นกําลังความสามารถที่เราจะทําได้แต่หลายคนปฏิบัติได้ คนทุกสามารถพูดออตจกใจได้มันก็เท่ากับเนี่ยมันยืนยันตามคําสอนของพระพุทธเจ้าที่เราพยายามเพียนเพียนสอนทุกคนเนี่ยว่ามันปฏิบัติจริงปฏิบัติตามจริงมันรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงมันปฏิบัติได้จริงแล้วก็วิธีที่เราจะเผยแพร่วัตถุศาสนาจะช่วยเหลือเกื้อกูลพระพุทธเจ้าพระธรรพระเรียสสมพ่อแม่ครูอาจารย์และในวิธีสาคัญที่สุดคือเราต้องปฏิบัติ ว่าเราให้จริงรู้จริงเห็นจริงเป็นจริงแล้วผู้ดอดแจกใจได้จริงไม่ได้ผูดแต่ความจำมันก็จะเป็นการรับรองเป็นเป็นสกิพยานของครูบาอาจารย์เป็นสกิพยานคําสอนของพุทธเจ้ายังมีอยู่จริงเราก็ปฏิบัติได้เนี่ยปฏิบัติได้ปฏิบัตไิตได้จริงเอาบุญบา ร, รมีทั้งหมดมาใช้พุทธานุภาเวนะธรรมานุภาเวนะสังขานุภาเวนะวคุณบิดามารดาคุณของพ่อแม่ครูบาอาจารย์บุญบารมีทั้งหมดเอามาใช้ รวมเป็นหนึ่งเดียวที่ใจอธิ leme, mm hmm. อษฐานบุญบรารมีสิ้นกิเลสโดยทาวอนสิ้นเชิงสมบัตนี้ดับมิจฉาทิฏฐิความเหม็นผิดไม่เหลือ laser, แม้แต่น้อยหนึ่งแม้แต่ปรัมานุนหนึ่งที่เป็นมิจฉาทิฏฐิเป็นอวิชชาให้สิ้นกิเลสสิ้นอวิชชาโดยอ้าวนสิ้นเชิงชีวิตที่เหลือจะทำประโยชน์ตนประโยชน์ท่านจนถึงที่สุดเกิดช่วยเหลือเกื้อกูลผู้อื่นจนถึงที่สุดจนกว่าที่ิจฉาไม่และทําประโยชน์ตนประโยชน์ท่าน โลกเดี้ยวเจะได้เป็นตัวอย่างคนอื่นเอาบุญบา ร, รมีมาใช้เอาอำนาจพลังจิตที่บริสุทธิ์พลังธรรมชาติบริสุทจากพุทคุณธรรมคุณพระคุณสังฆคุณคุณบิดามารดาคุณครูบาอาจารย์บุญบา ร, รมีเราทั้งหมดเอามาใช้เกิดประโยชน์ประโยชน์ตนทำประโยชน์ตนในถึงที่สุดคนทุกขละนิพพานในปัจจุบันเจือเหลือเกิพคนอื่นอยู่กับชีวิตจะหไม่เนอะอาสาธัสาธุ ตอว น, นี้ที่เหลือมันก็รู้เองเห็นเองอนแหละก็เป็นเองรู้เองเห็นเองอาจารย์ก็คือธรรมะที่ปรากฏในใจพระพุทธเจา้าพระธรรมพระรีสสงพระแม่ครูอาจารย์สิ่งที่ปรากฏในใจนั่นแหละก็จะเป็นธรรมนั่นแหละเป็นธรรมพระธเจ้าก็มีธรรมเป็นอาจารย์ธรรมก็จะปรากฏในใจเองไปเดินไปตามธรรม่ะเนีหยเชื่อธรรมให้ปฏิบัติไปตามธรรม